นั่งภาวนาชั่วโมงกว่าเป็นยังไงนั่งภาวนาชั่วโมงกว่าแซบไหมอร่อยไหมหรือแซบแล้วเกินฮะเป็นยังไงปวดแซบปวดร้อนเต็มไปหมดแล้วทำไงไปอยู่ตรงไหนใจไปอยู่ตรงไหน อ, อยู่กับพระพุะทธธรรมประสงค์โอ้ใจไม่ปวดเลยใจปวดไหมใจเห็นเห็นโศกสากศกเารอยู่อฮ <c oughs> ใจอยู่กับพระพุะทธธรรมพระสงค์ ใจไม่ปวดเลยหรือนั่งภาวนาเราพยายามนั่งไม่เปลี่ยนนั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนเราจะได้ดูความเจ็บปวดเราจะได้ต่อสู้กับความเจ็บปวดทุก ทุกขเวทนาที่สู้กันไม่ค่อยได้ก็อันนี้แหละทุกนี่แหละเจ็บมันปวดปวดแสบปวดร้อนปวดจนวิตกกังวลจะเป็นจะตายนั่นเวทนาทุกขเวนทวนาทุกขเวทนาที่เราว่านี้หมายถึงทุกขเวทนาทางกายร่างกายมันเจ็บมันปวดเพราะเราไปนั่งนั่งท่าเดียว เราไม่เปลี่ยนอิริยาบถมันก็ติดมันก็ขัดเลือดลมไปไม่สะดวกมันก็ปวดขึ้นมามันผิดปกติของมันร่างกายมันผิดปกติปกติของมันมันอยู่กับอิริยาบถสี่ยืนยืนปวดเมื่อยเดินเดินปวดเมื่อยนั่งนั่งปวดเมื่อยนอนยืนเดินนั่งนอน นัง oh ่งท่านี้ปวดเมื่อยกับพลิกมาท่านี้นั่งท่านี้ปวดเมื่อยพลิกมาท่านี้อยู่ด้วยการพลิกอยู่ด้วยการเปลี่ยนอยู่ด้วยการพลิกอยู่ด้วยการเปลี่ยนอาศัยการพลิกการเปลี่ยนเป็นเป็นเป็น อีกที่เรียกว่าสันติสันติมันบังทุกสันติตัวนี้แหละมันบังทุกสันติคือความสืบเนื่องความสืบต่อเช่นอย่างเรานั่งมีความสุขมาถึงตรงนี้พอเริ่มเจ็บเริ่มปวดพลิกอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เลยมันการมันเลยมันเป็นการบังบทบังความทุก ใจเราไม่ได้แช่อยู่ในความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ไม่ข็ดหลาบในความทุกข์เลยยึดความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ก็เลยยึดความทุกข์เห็นอยู่เท่ากับว่าไม่เห็นรู้ว่ารู้ว่าทุกข์อยู่แต่ก็ยึดทุกข์นี่คือไม่เห็นทุกข์ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยึดยิ่งยึด ก็ยิ่งทุกข์นี่คือความทุกข์ทุกข์กายร่างกายมันไม่เป็นไปตามความพอดีของมันมันก็ปวดปวดจะปวดไม่ค่อยจะเหมือนกันนะปวดบางคนปวดหลังบางคนปวดเอวบางคนปวดหลังจนจะขาดน่ะนะบางคนปวดหลังปวดเอวนั่นแหละจนจะขาดบางคนปวดตัโพกซ้ายแล้วก็ขวา บางคนก็ปวดไหล่บางคนปวดหัวเขา่าปวดแสบปวดร้อนฝ่าฝ่าเท้าปวดแสบปวดร้อนหลังเท้าหลังมือหลังตีนนั่นแหละปวดความเจ็บปวดก็เนื่องจากว่าเราไม่พลิกเราไม่เปลี่ยน ถ้าเราพลิกเราเปลี่ยนไอ้ที่จะเริ่มปวดมันก็มันก็หายไปแล้วมันเป็นความนั่งสบายๆพอดีพอดีแล้วพอจะเริ่มปวดนิดหน่อยเราก็พลิกไปอีกนี่ต้อเรียกว่าสันตติสันตติความสืบเนื่องความต่อเนื่องเนี่ยความสืบเนื่องเนี่ยมันบังทุกความสืบเนื่องตัวนี้แหละมันบังทุกสันตติตัวนี้แหละมันบังทุก ทุกเจ็บทุกปวดที่เราเจ็บเราปวดเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันเพราะเราเปลี่ยนเรานั่งท่าเดียวดูเรานั่งท่าเดียวไม่พลิกไม่เปลี่ยนนั่งแช่อยู่นั่นแหละให้มันทุกอยู่นั่นแหละไม่ยอมพลิกไม่ยอมเปลี่ยนให้มันดูความทุกข์ดูความทุกข์ดูผู้ทุกข์อะไรเป็นผู้ทุกข์ดูตัวทุกข์ ตัวทุกผู้ทุกตัวทุกกับความทุกเนี่ยมันกันเดียวกันนั่นแหละไอ้ตัวที่ปวดปวดแสบแสบร้อนร้อนเนี่ยเป็นภาวะของมัน่เป็นสภาวะของมันเราเอาผู้รู้ของเราเนี่ยไปจิ้มอยู่ตรงนั้นแหละไปแช่อยู่ตรงนั้นเลยเอาผู้รู้ผู้รู้ของเราเนี่ยไปแช่อยู่ตรงนั้นเลยแช่จนเห็นดําเห็นแดงกันว่า ผู้รู้ก็สักถ้าว่าผู้รู้ไอสิ่งที่ปวดก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปวดสาเหตุที่มันทนเรืออดเหลือทนมันทนไม่ได้ก็เพราะเรายึดเราถือเราถือว่าเราปวดว่าเข่าเราปวดเอวเราปดวดกระเพาะเราปวดไหลเราปวดอดไม่ได้ทนไม่ได้เพราะตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจ เมื่อตัณหามันเพิ่มเพเข้ามาอุปาทานมันก็ตามเข้ามาพระอุปาทานเป็นผลเป็นผลสืบเนื่องมาจากตัณหาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันมีอุปาทานแล้วก็มีมีการพลิกมีการเปลี่ยนนั่นแหละการพลิกการเปลี่ยนของมันนั่นแหละนั่นแหละคือพบหนึ่งพบหนึ่งภาวะอันหนึ่งภาวะอันหนึ่งสถานะอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งของจิต น่าพยายามดูพิจารณาให้ดีเราดูร่างกายของเราเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งเห็นเป็นมือเป็นเท้าเป็นลำตัวเป็นหัวเี้ยเป็นก้อนเป็นแท่งท่านว่าคณะคณะคำว่าคณะตัวนี้คอรคังนอหนูคณะ คณะตัวนี้แปลว่าก้อนความเป็นก้อนความเป็นแท่งมันปิดบังอนัตตาเรามองไม่เห็นว่าเราเลยสำคัญว่าอัตตาอัตตาเห็นไอความเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละ ว, ว่าเป็นอัตตาอัตตาว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราพุทิเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาตรงั้นมองหาอนัตตาก็มองไม่เห็น นัตตาไม่เกิดขึ้นที่ใจเลยทำให้ตัณหาอุปาทานมาเกาะเกาะเวทนาและเกาะร Mur ูปนะเกาะรูปรูปคือ ท, ที่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละที่เรียกคณะคณะสัญญาคณนะสัญญาสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นแท่งนะในความเป็นก้อนเป็นแท่งนี่เราก็สำคัญมั่นหมายเอานะ เราก็สาคัญมั่นหมายเอาสาคัญว่ามันเป็นก้อนเป็นแท่งคณะสัญญาตัวนี้แหละมันบดบงังอนัตตามันปิดบงังอนัตตาเรามองไม่เห็นเป็นอนัตตาเพราะความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละบังอนัตตาเราลองมาแยกแยกดูเหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกี้อยังโคมีกายโยกายของเรานี้แหละ พิจารณาแยกแยะไปผมทั้งหลายคนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังทั้งหนังหนังหนังเป็นพืชเป็นพืชนั่นเดียวกันท่านท่านไม่เรียกว่าทั้งหลายหนังเป็นอันเดียวกันเป็นเอกวิจนะผมทั้งหลายหลายชิ้นหลายอัน ขนทั้งหลายหลายชิ้นหลายอันเล็บทั้งหลายหลายอันฟันทั้งหลายหลายซี่หลายอันหนังหนังจะเป็นหนังตรงไหนก็ตามถือว่าเป็นเป็นแผ่นเดียวกันหนังแต่จอหนังหนังหลังมือหลังเท้าฝ่าเท้าฝ่ามือนี่ก็เป็นหนังกันแต่เป็นหนังมันก็หลายอย่างกัน รวมลงอยู่ในหนังทั้งหมดหนังหูหนังตาหนังฝาเท้าฝาตีนฝามือเป็นหนังถ้าเราแยกเหมือนท่านอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันไม่เป็นก้อนเป็นแท่งแล้วแหละมันเป็นลักษณะเป็นอาการแต่และอย่างแต่และอย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่จะ ทำให้เราเห็นอนัตตาท่านให้เร า, าหัดพิจารณาหัดแยกแยะนี่แหละแต่ความเป็นอนัตตาที่แท้จริงนั้นแ่ะคือสภาวะที่มันเป็นไปตามภาวะของมันมันไม่เต็มเป็นไปตามใจหวังของเราเช่นอย่างมันต้องแก่เนี่ยมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะบังคับมันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็บังคับไม่ได้ มันต้องแก่เราบังคับไม่ให้แก่ก็ไม่ได้มันต้องเจ็บแค่เรานั่งภานานานๆนี่เราเจ็บเราบังคับไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้อ่าแล้วก็เราก็จะต้องตายเขาก็จะต้องตายเราก็จะต้องตายเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาไม่ให้ตายอยู่คำฟ้าได้อยู่คำโลกคำฟ้าอยู่คำโลกคำฟ้าคำฟ้าที่ไหนไม่มีฟ้าจะคำ อยู่คำโลกคำฟ้าแต่มันก็ต้องตายเนี่ยด้วยภาวะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละทนวะอนัตตาอนัตตานี่ภาวะอันหนึ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งมันเกี่ยวข้องรวมไปถึงความเป็นอัตตาเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละว่าเป็นอัตตาอัตตามาเป็นตัวเป็นตน แท้จิงแท้จริงคําว่าอัตตาก็คือความสําคัญมั่นหมายเป็นคําพูดเป็นคําเรียกทําไม่เรียกว่าตนทําไมเรียกว่าคนทําไม่เรียกว่านายกานายขอก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงในที่สุดเราก็เลยติดติดสมมติติดคําสมมุติติดคําสมมุติแม้แต่ผมก็ติดคําว่าเป็นผมขนก็ติดคําว่าเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง รวมไปถึงตับไตไส้เล็กไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่มันเป็นคำสมมุติถ้าเราดูให้เลยคำสมมุติไปแล้วเห็นให้เห็นสักที่ว่าภาวะของมันภาวะของผมดำๆเป็นเส้นเป็นเส้นๆดำๆขนดำๆเล็บก็นี่ภาวะของมันภาวะของมัน โดยที่เราไม่ติดสมมุติคำว่าภาษาเป็นคำเป็นภาษาด้วยที่เราไม่ติดสมมุติเป็นคำเป็นภาษาเราสามารถเข้าไปอยู่ในภาวะที่ท่านเรียกว่าสภาวะสภาวะแปลว่าความมีความเป็นของมันอ๋อมันมีอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นท่านเรียกว่าสภาวะสภาวะสภาวะนี่แปลอีกทีหนึ่งแปลว่า ความมีความเป็นความมีอยู่ของมันมันมีอยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่ของมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครสามารถเอาใจไปบังคับบัญชามันได้หากมันมีเหตุมีปัจจัยของมันที่มันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นผมอ ย, อยู่บนหัวนี่เป็นขนอยู่ทั่วร่างกาย เป็นเล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าเนี่ยเป็นฟันสลับบดเคี้ยวเป็นหนังห่อหุม้มอยู่ภายนอกเนี่ยหนังหนังมีหนังแล้วก็มีผิวหนังมีหนังแล้วก็มีผิวหนังถ้าเลยถ้าเลยผิวหนังเข้าไปแล้วเลยหนัง ล่องตาต่างปรเทศอเรื่อยๆลอกหนังออกอสมมุติหลอกหนังออกไม่มีอะไรมีแต่เลือดมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นมีแต่กระดูกลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรคนดําคนขาวถ้าหลอกหนังออกก็เหมือนกันหมดปฏิกูลเหมือนกันหมดโสโครกน่าเกลียดน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกันหมดเยิมไปด้วยบูพโพโลหิต เหมือนกันหมดกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวเหมือนกันหมดอาศัยวัตหนังนี่มันปกปิดห่อหุ้มเอาไว้เป็นเหตุให้เราติดแล้วเกินติดหนังนี่หนั ง, นงด่างๆโอ้ยไปหาอะไรมาลุมาทามาถูให้มันหายดำหายด่างขึ้นพองขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งโอ้ยดีอกดีใจติดความงาม เราดูดูพิจารณาด้แง่ทำแล้วเราก็ดูดูไปนั่งยิ้มไปพิจารณาไปความหลงของเราของท่านความหลงนี่มันหลงหลงยึดหลงถือหลงสำคัญมั่นหมายเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะนี่ท่านให้ดูอย่างนี้เพื่อเป็นการแยกแยะไม่ให้มันเป็นก้อนเป็นแท่ง ถ้าเป็นก้อนเป็นแท่งแล้วก็อัดตามันเพิ่มเข้ามาเลยอ่าพออัดตาขึ้นมาแล้วก็ตันหามก็มาด้วยละตันหาความอยากความดิ้นรนความทะยืนสยันอยากทิฏฐิมานะอ่าความถือเนื้อถือตัวถือยศถือเกียรติถือศักดิ์ถือศักดิ์ศรีถือสูงถือต่ำถือดำถือขาวถือยศถือศักดิ์ถือมาตามาแล้วแหละ พะ อ, อัด ต, ตามันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละเรานี่แหละเรานี่แหละเรานี่แหละเรานี่แหละแต่ก็ไม่พ้นแก่ไปได้ไม่พ้นเจ็บไปได้ไม่พ้นตายไปได้สำคัญยึดเอาถือเอาเฉยๆยึดเอากายสำคัญเอากายแท้จริงกายเขาไม่รู้เรื่องเลยนะกายไม่รู้เรื่องแม้แต่ปากพูดออกมาเป็นลมออกมาเป็นคำพูดเป็นภาษาที่เราพูด อยู่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยว่าอาศัยว่าดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นปากแล้วกันลมทำงานประสัดประสานกัน อ, อ่างับอ่างับอ่างับเนี่ยออกเป็นเสียงเป็นภาษาขึ้นมาพร้อมกับลมนี่พวกเราก็เลยสมมุติกันเอ อ, อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในกลุ่ม ในกลุ่มของเราเองอในกลุ่มของเราเองในเผ่าพันธุ์ของเราเองในวัฒนธรรมของเราเองคนบ้านอื่นคนบ้านอื่นเมืองอืน่นก็พูดจากป่าเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนเราแต่ก็พูดกับสิ่งที่เป็นภาวะรับรองเหมือนกัน อ, อันนี้เรียกข้าวอันนี้เรียกน้ําอันนี้เรียกมืออันนี้เรียกตีนอันนี้เรียกหัวศีรษะอันนี้เรียกลําตัว อันนี้เรียกหนังเรียกผมเรียกขนเรียกเหมือนกันมีสิ่งเหล่านี้รองรับเหมือนกันแต่ภาษาคำพูดไม่เหมือนกันนั่นคือสมมติคาพูดสมมติคือคำพูดนี่เราพูดถึงว่าลักษณะของอัตตา ก, กับอนัตตานี่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงรู ป, ปธรรม ความทุกข์ของนามธรรมสาเหตุความทุกข์ของนามธรรมก็คือตัณหานั่นแหละสมุทัยคือตัณหาแท้จริงนามธรรมก็เป็นต้นต่อของรูปธรรมรูปธรรมที่เราได้มานี่ก็สาเหตุต้นต่อมาจากนามธรรมคือจิตของเรานั่นแหละผู้รู้ของเร า, อาหอบเหี้วกรำ ม, มาแล้วก็ไปเที่ยวเกิดไปเที่ยวจับจองกับคนนั้นกับคนนี้ซึ่งมี บุญมีกรรมมาเคยเกี่ยวข้องเคยผูกพันกันแล้วก็พอประมาณแก่กัน unfair. ด้วยบุญด้วยกรรมเคยเกี่ยวข้องกันมาด้วยบุญเคยเกี่ยวข้องกันมาด้วยเวรด้วยกรรมก็มีอมาเกิดด้วยกันเพื่อสนองเวรสนองกรรมกันก็มีอย่าว่าแต่คนมีบุญมาเกิดด้วยกันนะคนมีเวรมาเกิดเพื่อแก้แค้นเพื่อล้างแค้นกันก็มีนะ เราก็เอากรรมที่มีอยู่ภายในใจนี่แหละไปเที่ยวจับจองลองไปถือปฏิสนธิในท้องท้องของแม่เกิดกับใครเราก็เรียกคนนั้นว่าแม่ไปเกิดในท้องแม่แท้ที่จริงก็เอาแต่กรรมเท่านั้นแหละไปจับจองเอาแต่ผู้รู้ไปจับจองเอาแต่กรรมไปจับจองพวก เลือดพวกเนื้อพวกอะไรไม่มีไปสักหยดสักหยดหนึ่งก็ไม่มีอาศัยสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันตั้งเป็นปฏิสนธิขึ้นมาตั้งท้องในท้องแม่แ้วก็เจริญขึ้นมาเอาธาตุดินน้ำลมไฟจากแม่นั่นแหละหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้เจริญเติบโตขึ้นมาเราสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันแล้ว จะอยู่คงที่ไม่ได้สังขารทุกๆสังขารประกอบกันแล้วจะอยู่คงที่ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่ตัวเราทั้งตัวนี่ก็ถือว่าสังขารมาประกอบกันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเราดูที่ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กทารกเด็กเล็กเป็นเด็กกลางเด็กหนุ่มเด็กสาวเท่าแก่มาเป็นพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย ตามตามไวัตามวันตามการตามเวลาเปลี่ยนไปตามไวัยเผ่าพันธุ์ความเป็นมนุษย์ยุคนี้วัยนี้มีอายุเท่านั้นปีสัตว์จำพวกนั้นมีอายุเท่านั้นปีสัตว์จำพวกนั้นมีอายุเท่านี้ปีเป็นไปตามไวกลายเป็นว่ากรรมมันระบุมาแล้วทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็ น, นกลไกไปหมด กลไกกลไกอันสืบเนื่องมาจากกรรมเนีย่ยเราเจริญในท้องแม่เจริญมาเรื่อยมาเรื่อยเลยที่แรกไปปฏิสนธิไปรวมธาตุเป็นน้าําใสๆเล็กๆมองไม่เห็นน้ําตัวนั้นก็ไม่อยู่คงที่แหละขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยขยายมาเรื่อยขยายมาเรืยยเ่อยเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยประมาณห้าวันเจ็ดวัน สองสัปดาห์สามสัปดาห์สองเดือนสามเดือนเจ็ดปดเ้าเดือนเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยโตไปเรื่อยอาจากใสๆก็เป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอยู่จนครบอาย ว, วะสามสิบสองเจ็ดแปด9เดือนก็ออกมาสิเดือนก็ออกม า, กออกมาไม่อยู่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมเนี่ยนะได้เราก็ได้โครงสร้างมาจากแม่ มาจากพ่อกับแม่แต่แท้ที่จริงนอนในท้องแม่ก็ดูดเลือดดูดเนื้อของแม่ทั้งหมดนั่นแหละแม่กัรับฐานอาหารข้าวปลาอาหารเข้าไปซึ่งเป็นดินน้ำลมไฟตัวเราเองก็เป็นดินน้ำลมไฟที่เราครองกันอยู่โครงสร้างทั้งหมดเราได้มาจากแม่เราไม่ได้ไปเอาจากไหนไปผสมโดยแม้แต่หยดเดียวไม่มีเลือดสักหยดหนึ่งก็ไม่มี พอโตมาแล้วพอออกมาแล้วตัดสายรกออกนั่นอ่ะท่อเลี้ยงท่อลําเลียงข้าวปลาอาหารลําเลียงตามท่อนั่นแหละพอออกจากท้องแม่มาแล้วก็ตัดออกตรงมาป้อนข้าวป้อนน้าโตขึ้นมาก็เปรบเองอข้าวปลาอาหารรับทานเองข้าวปลาอาหารรับทานเองแต่โครงสร้างของเราทั้งหมดเป็นของพ่อของแม่ทั้งหมด นี่เราดูเสร็จแล้วเราก็ยึดแล้วเกินอัตตาตัวของเราตนของเราเนี่ยอัตตาตัวตนของเราทิฏฐิมานะแล้วเกินอัตตาตัวตนของเราถือซิซอิอีกอ่าเช้าอย่างบางกลุ่มบางพวกถือจับหัวไม่ได้จับหั ว, หวนี่ยเครียดกันฆ่าแข่งกันพุนห์ถือถื อ, ถ, อถือแล้วเกินถืออัตตาของเราตัวตนของเรา พระุทธเจ้าคงว่าพระุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแค่เรามองเห็นว่าเราเข้าไปเกิดในท้องแม่เป็นเข้าโครงเราก็ทราบได้ว่าโอ้ไม่ใช่ของเราจริงๆอย่างที่พระทรงตรัสจริงๆแต่หากว่าเป็นเราเป็นเราเพราะว่าด้วยเหตุที่เรามีนามมาทำมาจับจองนามมาทำก็คือใจผู้รู้ผู้รู้นี้มาด้วยอานาจของกรร กรรมมากับใจเนี่ยกรรมมันมากับใจมันมาปฏิสนธิในท้องแม่จับจองออกมาแล้วก็มาจับจองเป็นเจ้าของร่างว่า ง, งั้นเถอะเป็นเจ้าของร่างเพราะฉะนั้นคนเราจึงประกอบไปด้วยรูปคืออัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยนามคือจิตใจหรือธาตุรู้หรือผู้รู้ กรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มันติดมามันติดมากับใจเพราะฉะนั้นที่เราทำกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเราหอบหิ้ยไปกรรมตัวนี้เป็นพลังเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานถ้าในลูกศรสก็คือนั่นแหละดินประสิวนั่นแหละเป็นตัวพลังงานนะเป็นตัวถีบถีไปอาศัยกรรมนี่แหละเป็นตัวถีไปอ า, อาศัยกรรมเป็นพลังงาน เพราะฉะนั้นกรรมถ้าใครสร้างใครทำอย่างใดไว้คนนั้นจะหอบหิวกรรมนั่นแหละไปะทิ้งก็ไม่ได้กรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามไม่มีใครดอกอยากได้กรรมไม่ดีอ่ะแต่ทำไปแล้วมันก็เป็นของเราแล้วก็กรรมดีก็ตามทำเฉยๆทำศักดิ์สิทธิทม์มำมันก็ยังเป็นกรรมดีเป็นของเราอยู่อยู่ดีกรรมไม่ดีก็ตาม เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราไปทำเสร็จแล้วเราไม่อยากได้รับผลหรอกแต่ด้วยเหตุว่าเราทำเองเราเป็นเจ้าของเองกรรมเหล่านั้นก็ตามต่อยต่อ ย, ต, อ ย, ต, อ ย, ต, อยต่อยกับผู้รู kita, ร้ของเรากับจิตของเรานะคอยส่งผลเป็นวิบากเป็นวิบาก <c oughs> กรรมทั้งชั่วระยะใกลทั้งชั่วระยะไกลนี่นี่ความเป็นไปความเป็นมาชีวิตของเราของท่าน มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้สังขารไม่เคยอยู่คงที่ความไม่อยู่คงที่ของมันนั่นแหละท่านเรียกว่าทุกขงังทุกขงังความที่มันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นเป็นอนิจจังพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสังขารทุกๆสังขารมีลักษณะเหมือนกันหมดคืออนิจจังทุกขงังคือสังขารจะไม่คงที่เปลี่ยนไปเป็นอนิจจัง ทุกขังไม่คงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนอนิจจังทั้งอนิจจังและทุกขังเป็นทางเดินของมันเราจะไปเปลี่ยนให้มันเดินทางเส้นอื่นก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ดัดแปลงได้ให้เป็นไปตามใจหวังไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านชีงส่งตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราปฏิบัติธรรมเราพยายามปฏิบัติธรรมดูพยายามดูให้เห็นตรงนี้ ให้เกิดให้เกิดความเกลดความหลาภให้เห็นความทุกข์นี่แค่เราพูดถึงความทุกข์เมื่อกี้นี่แหละเช่นไรเรานั่งนานๆพอรู้สึกปดวดก็พลิกเปลี่ยนนั่งอีกท่านหนึ่งรู้สึกปวดก็พลิกเปลี่ยนที่เรียกว่าสันตติมันบังความทุกข์สัน ต, ติความสืบเนื่องความต่อเนื่องที่เราพลิกอิริยาบถนั่นแหะคือเราอยู่ได้อิริยาบถ ถ้าเราอยู่อิรยาบถเดียวนานๆทุกแหละความทุกจะต้องปรากฏหละเพราะฉะนั้นอิรยาบถนั่นแหละพาให้เราพลิกเราเปลี่ยนสันติปิดบังทุกทุกจากเจ็บจากปวดนี่แหละเราลองนั่งไม่เปลี่ยนดูความทุกจะปรากฏที่ใจของเราเราจะได้ต่อสู้กันความทุกเป็นเราเราเป็นทุกหรือทุกเป็นเราเราเป็นทุกหรือทุกเป็นเรา เราทุกหรือว่าทุกมันทุกพิจารณาแยกแยะลองรูไล่กันกลับไปไล่กันไปไล่กันมาไล่กันมาไล่กันไปแท้ที่จริงร่างกายมันปวดจิตใจไม่ได้ปวดผู้รู้ไม่ได้ปวดจิตใจคือผู้รู้ร่างกายมันปวดแต่ผู้รู้ไม่ได้ปวดโดยเหตุที่ผู้รู้ยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายผู้รู้จึงจึงปวดปวดเพราะอุปาทานยึดเอายึดเอากายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเกิดปวดปวดอย่างเลออดเหลือทนอเราพยายามนั่งพิจารณาผูรู้ผูรู้ก็สักตว่าผูรู้เวทนาก็สักตะวัเวทนาเป็นสองอย่างทำงานประสัประสานกันผู้หนึ่งกํลาลังจ้องดู เอาผู้รู้เนี่ยจ้องดูผู้ปวดอจ้องดูความปวดร่างกายปวดนะถ้าหากเราไม่พิจารณาเราไม่จ้องดูเนี่ยกลายเป็นใจปวดอใจปวดแล้วแสดงกิริยาล ะ, ะยินร้ายนี่เขาเรียกว่ายินร้ายยินร้ายคือไม่พอใจขัดใจปฏิฆะขัดใจขัดข้อหัวใจไม่พอใจเนี่ย ต้องพลิกลต้องเปลี่ยนโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวต้องพลิ ก, ต, กต้องเปลี่ยนต้องพลิกต้องเปลี่ยนนี่คือใจมันเป็นมันเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์ทุทุกข์ ท, กทั้งใจเพราะใจไปยึดเอาใจยึดเอาเพระใจไม่รู้ใจไม่รู้ใจลุ่มหลงไม่หลงลุ่มหลงไม่รู้ตามเป็นจริงเวทนามันทุกข์ทุกข์ตามภาวะของมันมันมีอยู่จริงตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น แต่เราไม่รู้เราไม่ทันสติปัญญาไม่ทันสติปัญญาไม่มีสติปัญญาไม่ดียึดเอาว่าเราเจ็บว่าเราปวดแน่กายกับจิตนี้เขาเป็นของของกันและกันแต่ว่าหากมีภาวะคนละอันแต่เวลาเขาเกิดมาด้วยกันแล้วเขาจะแตกไปจากกันเห็นได้ยากมาก เวลาเขาแตกจากการปั๊บก็คือตายเวลาจะตายดิ้นชักดิ้นชักงอยน่นก็จะตายไม่ใช่ตายง่ายๆก็เหมือนอย่างเราไปทุบเป็ดทุบไก่ทุบปลาทุบอะไรนั่นแหะตีวัวตีควายแทงคอดูสิเวลาเขาจะตาย <c oughs> เป็นไงไอตอนเขาจะตายเป็นไง มันดีดดิ้นตาเหลือกตาลานเนี่ยบ่ร่างกายกับจิตใจนี่เวลาเขาจะไปจากกันเนี่ยเขาจะไปจากกันยากถ้าไม่มีเหตุผลสมจริงนี่เขาจะไม่เขาจะไม่แยกจากกันหละเพราะอะไรเพราะมันเป็นของกันและกันร่างกายเป็นวิบากวิบากกรรมของกรรมเก่าร่างกายนี่นะ ร่างกายของเราของท่านเนี่ยเป็นวิบากกรรมของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นมันถึงไม่จับจอเงเอาเพราจับจองมาแล้วออกมาแล้วก็มาสร้างเอาเองกินข้าวปลาอาหารหวานขาวอยู่เนี่ยสร้างเอาเองปัจจุันก็ยังไม่ทันมันอีกกิเลสในใจแล้วแต่มันจะหล่อเราใช้อุตสารเลี้ยงประครบประงมประครบับประ ค, รระครองมาอย่างดีเลี้ยงอัตภาพร่างกาย กินอยู่หลับนอนอาบน้ำถูตัวกระเข้าประคองอให้สะอาดสะอาดสะอาดสะองอรักใข้สนองอย่างดีถึงกรานั้นก็าตามบางคนยังมัดคอให้มัน <laughs> มัดคอให้มันถ่ายจ่อย <laughs> เราดูสิอะ กิเลสภไปในใจแล้วแต่มันจะหลอกเลี้ยงมาอย่างดีหาอยู่หากินทุกอย่างลำบากมากี่วันกี่เดือนกี่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีสา ส, ปาสิบปีห้าสิบปีหกสิบปีอะ บ, บ, บ, บางค น, นไปมัดคอตัวเองตายจ้อยเนเราดูที่รักถนอมหึงหวงอย่างดีนะทำไมทำอย่างนั้นเสีอีกดูเราดูกนโนบายของกิเลสในใจของคนของสัตว์เนี่ยมันมีประมาณที่ไหน มันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่คือกองไฟอยู่ตัวนี้อยู่คือกองทุกอยู่ตัวทุกอยู่ตัวนี้อยู่คือมารอยู่พยามานอยู่มัจจุมาคือพย า, พยามัจจุราชอยู่หมายถึงมันอยู่ที่ใจเราะกลยียดตัณหาเนี่ยแหละความไม่ฉลาดของเราเองอะ่ะความโง่ของเราเองเราไม่รู้เท่าทันตาม มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงโง่ไม่โง่ไม่ทันมันมันมีความเกี่ยวข้องกันมันปลูกพันกันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังก็พยายามภาวนาเข้าให้จิตได้รับความสงบพิจารณาหเห็นอันนิจจังทุกครั้งอนับตาให้เกิดปัญญาเห็นให้เห็นโดยยานเพียงแต่เรานึกเห็นคิดเห็น อันนี้เป็นข้อปฏิบัติเราทำไปทำไปทำไปจนเกิดยานาทัศนะภายในหัวใจของเราเราก็ออปลงใจเชื่อร0 0ถ้ า, ายังไม่เห็นมันจะไม่ปลงใจเชื่อร0 0แต่จะต้องขบเคี้ยวกันอย่างหนักหนาสาหัสเหมือนกันถึงขั้นเป็นขั้นตาย ก็จะได้ก็จะเข้าถึงความละเอียดถึงขั้นนั้นขนาดนั้นระดับนั้นกว่าจจะถอนตัณหาถอนอุปาทานระดับนั้นได้ขั้นนั้นได้ <c oughs> ทำจริงอาศัยว่าทำจริงทำต่อเนื่องแล้วก็ทำจริงทำจริงทำต่อเนื่องทำด้วยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารจริง ทำด้วยหวังพึ่งเป็นพึ่งถุ่พึ่งตายกับงานที่เราทำจริงๆทำไปเถอะทำมากทำน้อยมีวิบากเป็นผลวิบากกรรมนี่แหละจะเป็นตัวเก็บจะเป็นตัวสะสมจะเป็นตัวมาคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจริตนิสัยสติปัญญาความหยาบความละเอียดความประณีตในจิตของเรา มันจะไม่อยู่เท่าเดิมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามที่เราตั้งใจพัฒนาให้กับมันนั่นแหละถ้าเราตั้งใจพัฒนาแก้ไขมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจพัฒนาแก้ไขมันก็จะมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยยืดมั่นซื้อมั่นสำคัญมั่นหมายเต็มเปี่ยมเต็มที่จนแม้แต่ความนึกความคิดในทางที่ถูกถูกต้องดีงามก็ น, นึกไม่ได้คิดไม่ได้เข้าใจไม่ได้ นึกคิดไปตามเรื่องของกิเลสทั้งหมดที่นเรียก ว, ว่าเป็นมิดชาทิฐิเต็มดวงมืดบอดหมดทั้งดวงอถ้าเป็นดวงสว่างก็คือดวงสว่างเป็นดวงสว่างที่ถูกอะไรมาบดบงังมืดหมดทั้งดวงเลยการที่เราตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาเหมอนหมายความว่าเราพยายามขัดเกลาไอตัวมืดๆนั่นแหละให้มันสว่างเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จัก สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงขึ้นไม่งั้นก็รู้แต่ของที่เป็นจอมปลอม mm hmm. อที่กิเล่มันเอาแว่นตามาใส่ให้ให้มองเห็นเป็นอย่างนี้ให้ให้มองเห็นเป็นอย่างงี้ไม่เคยเห็นเนื้อแท้ของมันเลยมันมีแต่มีแต่สิ่งมามีแต่มายามันมาพรางหูพรางตาเราไว้หมดแหละมองไม่เห็นความจริงก็งมอยู่นั่นแหละแก่ริงนี้ เข้าใจว่าแก้แล้วแต่ก็เป็นการมัดทุกข์กับเรื่องนั้นพยายามแก้แก้แทนที่จะเป็นการแก้ก็ยิ่งมัดทุกข์กับเรื่องนี้พยายามแก้แทนที่จะเป็นการแก้ยิ่งแก้ก็เท่ากับยิ่งมัดก็เพราะอะไรก็เพราะมันมองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงว่าเหตุร้อเปเของมันคืออะไรดูไม่ออกเลยทายผิดเดาผิด เข้าใจผิดแก้ผิดแก้ผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ก็เลยไปมัดกายใช่แคกายตายามัดคอตายเนี่ยแท้ที่จริงร่างกายไม่ได้ทุกข์จิตใจมันทุกข์ทุกข์ถึงที่สุดโดยเหตุที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยไป โดยเหตุที่จิตใจมันยึดจิตใจก็ปล่อยทุกข์ไปด้วยแต่หากมันเกี่ยวข้อ ง, องกันอยู่อย่างนี้อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องฝึกปลือให้เราเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความฉลาดตามตามหลักตามหลักสัจธรรมตามหลักความเป็นธรรมเราเข้าเข้าไปใกล้สิ่งเหล่านั้น าการที่เราจะมารอบรู้เรื่องอนิจจังทุกขรังอนั้ตามันก็ใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปฝึกขบเคี้ยวถึงที่ก็สามารถประจกักด้วยญาณนทัศนะนของเราได้แตถ่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ทํำยังไม่ถึงออกก็ยังไม่ถึงขุดบ่อยังไม่ถึงน้ํายังไม่ออก ขุดเลยขุดจนออ ก, ท ำ, ออกทำไมถึงขุดไม่ออกทำไมถึงขุดไม่ออกก็ขุดยังไม่ถึงมันก็ไม่ออกขุดมันจนออกขุดแล้วก็หยุดขุดแล้วก็หยุดขุดแล้วก็หยุดมันไม่ถึงสักทีเราทำาบก็หยุดทำาปแล้วก็หยุดทำาปแล้วก็หยุ ด, ยดมันไม่ต่อเนื่องเทียบกับสีไม้ให้เกิดไฟสีแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุด พอเราหยุดความร้อนมันก็หยุดไปด้วยเมื่อเย็นเมื่อเย็นลงเย็นลงเย็นลงสีใหม่เริ่มร้อนใหม่เริ่มร้อนใกล้จะเป็นไฟยุดอีกอท่านจึงให้ทําเสมอทําสม่ําเ ส, สมอหนักหน้าเข้าไปเรื่อยยิ่งรู้ว่าไฟใกล้จะติล้วยับเต็มที่เลยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเลยนี่คือข้ออุปมาว่าทํำยังไงเราถึงจะทําเป็นและทําไงทาไม่เป็น ก็เหมือนกับเราสีไม้เกิดไฟนี่แห ล, แลนะเพราสมควรแหลเนาะไปภาวนาต่อไปเมื่อกี้ใครนั่งมันๆเนี่ยไปนั่งต่ออีกพิจนาต่ออีกจ้าไปตุเลิมป่วยไข้นะ่นะไปดูด้วยเนาะ ปมาหลายมือเลยบอกเป็นไข้มาหลายวันแล้วบอกหื อ, อเป็นมือนี่เหรอโอคันบ่มาวัดหอบ่เปลี่ยนได้เนาะฮ้เป็นตะเคียลาบด้เนาะมาวัดนี่เนาะฮฮโอบ่ได้เ น, าาเน <c oughs> ีตู่บ่ได้เนตู่บ่ได้ตู่คันอยู่บ้านเนี่ยป่วยรด <c oughs> ต้องมาวาดัดมาคู่มือด้วย อืมฮะป่ยาจำด้วยป่วยย่าจำลงมาบ่ป่วยย่าสมดีบ่โอ้เบิงเนอหายาหาอะไรไปแจกเด้พวกพระหอมเพราะอะไรมีเ้อะไรเอาใช้กันอยู่เลยสมุทรเทาป่วยนั่นอะ เบ่ ง, บงปปกันเด้อเบ่งกันอไปพวกเราก็เล